มารครับให้เห็นว่าสัพเพสังขาราหานิจจานะครับสังขารคือร่างกายจิตใจของเราเนี่ยและรูปธรรมนามธรรมมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงจากอะไรผมขนเล็บฟันหนัง น, นะครับไม่เที่ยง มีความตายเป็นที่สุดรอบเห็นทุกแต่ไม่เป็นทุกสมาธิสำคัญในทุกส่วนเลยครับก็สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมประทับนั่งกลางแจ้งในราตรีมีจันเพนเป็นวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตวันนั้นเป็นวันอุโบสถสิบห้าค่ำขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับ จึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้ไม่คุยกันบริษัทนี้เงียบเสียงคุยดำรงอยู่สารธรรมอันบริสุทธิ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุสองนี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ควรแก่การคำนับ ควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษินาทานควรแก่การกระทาอันชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างหาที่อื่นยิ่งกว่ามิได้ภิกษุสงส์งนี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยมีผลมากและถวายของมาก มีผลมากยิ่งขึ้นภิสษุน์สงนี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทอันชาวโลกยากที่จะได้พบเห็นภิสษุสงนี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทอันสมควรที่แม้คนผู้เอาสเสบียงคล้องบ่าเดินทางไปชมนับเป็นยอดยอด ้องคุณครับ